ปฏิจจเจ็ดเจ็ดก้าะ ดูพระสูตรนี้เกี่ยวกับปฏิจจสมุปาตพระองค์แจกแจงมาเป็นภพต่างๆนะเป็นเทพเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นภูตสัตว์มนุษย์สัตว์ปีกสัตว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลาน ดูก่อนอนลก็คำนี้ว่าชรามรณะมีเพราะชาติเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้เช่นนี้แลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอนลความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าชรามรณะมีเพราะชาติเพราะปัจจัยคือชาติ คือแก่ตายมีเพราะเหตุคือการเกิดปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะปัจจัยคือชาติแก่ตายมีเพราะชาติหรือว่าชาติเป็นเหตุให้นำไปสู่แก่และตายบางทีพระองค์ก็พูดกลับไปกลับมาอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> ดูก่อนอนนท์ถ้าหากว่าชาติจะไม่ได้มีแก่ใครใค ในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการนั้นถ้าหากว่าชาติคือถ้าหากว่าการเกิดเนี่ยจไม่ได้มีแก่ใครๆที่ไหนนะทุกชนิดทุกอาการนะกล่าวคืออะไรเพื่อความเป็นเทพแห่งหมู่เทพทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นยักษ แห่งพวกยักษ์ทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นภูตะแห่งพวกภูตะทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าแห่งพวกสัตว์สีเท้าทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์มีปีกแห่งพวกสัตว์มีปีกทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็ดีแล้วไซ ดูก่อนอ น, อนุนชาติก็จะไม่ได้มีแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นแหลกเมื่อชาติไม่มีเพราะความดับไปแห่งชาติโดยประการทั้งปวงแล้วชลามรณะจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอ น, อนุนเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละ คือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของฉราโมรณะนั่นคือชาติคําว่าเหตุคําว่านิทานะก็แปลว่าเหตุสมุทัยก็แปลว่าเหตุปัจจัยก็แปลว่าเหตุนั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือเหตุคือเหตุคือเหตุมี4คําพูดละอันนี้นมีชาติกะ ปะพวะอีกสองคำที่แปลว่าเหตุเหมือนกันนะพ <c oughs> <c oughs> ระองค์ตัดต่อว่าดูก่อนอ น, น, นุนก็คํานี้ว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคําที่เรากล่าวดูก่อนอ น, นุนข้อความนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวแล้วว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดูก่อนอ น, นุนถ้าหากว่าพบจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือการมาพบก็ดีรูปประพบก็ดีอรูปประพบก็ดีดแล้วไซเมื่อพบไม่มีเพราะความดับไปแห่งพบโดยประการทั้งปวงแล้ว ชาติจักมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนอนน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของชาตินั่นคือภพ <c oughs> <c oughs> และพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจะไปเ ร, เรื่อยว่าภพมีเพราะปัจจัยคืออะไรอุปาทานนะ และถ้าพบไม่มีโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็บอกว่าการมุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานจะมีขึ้นมาได้ไหมนะอุปทานในกามคือธาตุดินน้ำไฟลมอุปทานในความเห็นอุปทานในศีลปตะนะสีลปตุปาทานเนี่ยสีลปตะนี่คือข้อปฏิบัติกายและวาจาอัตวาทุปาทานคืออุปทานในความเป็นตัวตน เห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราอุปทานจะมีไม่ได้ถ้าสถานที่ให้เกิดไม่มีนะอืไล่ไปอีกถ้าอุปทานไม่มีโดยประการทั้งปวงตัณหามีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสพลัทธภาพธรรมลมตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงนะ <c oughs> พระองค์ก็ไล่ไปไล่ไปเร <c oughs> ื่อยๆเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาหรือว่าตัณหามีเพราะเวทนาถ้าเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงตัณหามีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไล่ไปเรื่อยๆพระองค์จึงจัดรายละเอียดเกี่ยวกับระหว่างที่ตัณหาไปอุปทานคืออะไร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 เพราะสายความสยบโมเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะสายความจับอกจับใจจึงมีความตระนีเพราะสายความตระนีจึงมีการห่วงกั้นเพราะสายการห่วงกั้นจึงมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกั้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดการพูดเท็จทั้งหลายทําอันเป็นบาปอกุศลเป็นนรก ย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราได้กล่าวไว้แล้วเ <c oughs> นี่ยอาการของจิต <c oughs> จากเวทนามาตัญหาจากตัญหาจะไปอุปทานปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะตรัสอาการจิตทั้งเก้าอาการจะมีการสแสวงหาได้ปรงใจลักกำหนัดด้วยความพอใจเสียบโมเมาจับอกจับใจ ตระหนี่ห่วงกันเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันและพระองค์ก็ไล่ย้อนกลับมาว่าดูก่อนอนอนลข้อความนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยประยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าทำอันเป็นบาปอักษรเป็ น, นเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคาหยาบว่ามึงึง การพูดคำสอดเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยการห่วงกัน้นดังนี้ดูก่อนอ น, อนุนถ้าหากว่าการห่วงกัน้นจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อการห่วงกั้นไม่มีเพราะความดับไปแห่งการห่วงกัน้น โดยประการทั้งปวงแล้วทำเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามึงมึงการพูดคําส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นพร้อมได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้เพราะเจ้าข้าดูก่อนอนนลเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุ นั่นแหละคือนิฐานะนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกเหล่านี้กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึการพูดคำสอเสียดการกล่าวเท็จนั่นคือการห่วงกันเราทะเลาะกันเพราะการห่วงกัน เราหวงกานเพราะว่าเราชอบและพอใจสิ่งนั้นนะจึงเกิดการตันีจับอกจับใจนะมีการหวงกานเกิดขึ้นพอหวงกานปั๊บก็ปกป้องสิ่งนั้นละมันก็เลยทะเลาะบ่อแว่งกันนะอ่ามันก็จะมี <c oughs> อะไรต่ออะไรตามมาเยอะแยะนะนั่นจะเป็นเรื่องของความดีก็ตามเราก็หวงกานเหมือนกัน เป็นผลงานของเราเราก็ห่วงกั้นอีกน ะ, ะโลกนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าโลกแห่งการห่วงกั้ น, นกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เดินตามหลักของพระตถาคตเลยแต่เราไปเดินตามหลักของคนอื่ น, นสร้างการห่วงกั่นให้เยอะขึ้นมันก็มีการทะเลาะเบาแวงกันเยอะขึ้นนั่นเองเพราะเราไม่ลดการห่วงกั้นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอยากจะไม่ให้ใหมีการทะเลาะ ก, กันแต่เรายังมีการห่วงกั้นอยู่เนี่ยมันก็จะไม่หมดเหตุของการทะเลาะบ่ อ, อแหวงเนะพราะเหตุปัจจัยของการทะเลาะมันยังมีอยู่ทีนี้การห่วงกั้นอาศัยอะไรอาศัยความตรนหนีนะความตันหนีอาศัยอะไรอาศัยความจับอกจับใจแม้ฟังธรรมอันนี้แล้วจับอกจับใจจังเลยโยมก็เริ่มตันหนีละเริ่มห่วงกัน้น เริ่มของกั้นแม้ธรรมะแม้ความดีนะมทุกอย่างเลยเราจับอกจับใจอะไรเอาละจะหนีมันจะเกิดแล้วจับอกจับใจมาจากอะไรเพราะเราไปสยบโมเมาสยบโมเมาเพราะอะไรเพราะเราพอใจกำนัดด้วยความพอใจกำนัดด้วยความพอใจเพราะอะไรเพราะปรงใจรักปรงใจรักเพราะอะไรเพราะมีการได้ <c oughs> มีการได้เพราะอะไรเพราะเราไปแสวงหา สแสวงหามีเพราะอะไรมีเพราะตัณหาคือความอยากจึงมีการสแสวงหาหลวงก็ไล่ไล่เหตุปัจจัยย้อนไปย้อนมาแล้วก็ตัดว่าดูก่อนอนนก็ด้วยอาการดังนี้แหลเป็นอันกล่าวได้ว่าธรรมทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นธรรมที่มีมูลอันเดียวกันในเวทนาคือเวทนาอย่างเดียวก็เป็นมูล สำหรับให้เกิดตัณหาแต่และอย่างแต่และอย่างทั้งสองอย่างได้อันนี้พระองค์ก็ <c oughs> อธิบายต่อในเรื่องของ <c oughs> เวทนามีเพราะเหตุคือผัสสะนีะ่นก็ผัสสะมีเพราะเหตุคือนามรูปเห็นไหมเห็นพระองค์กระโดดขึ้นไปไหมไม่พู้สลายยตนะเห็นหนะผัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปกระโดดข้ามสลายยตนะไปเลยเพรทะนั้นเวลาบอกว่าปฏิจจสุบาทเป็น เป็นเฉพาะคู่คู่ของมันนะอย่างในสายปฏิจจ์ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกระโดดข้ามคู่กระโดดข้ามคู่จับคู่อื่นนะอีกหลายอย่างนะก็คือใช้กฎอิทธปัจจิตานั่นเองว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดที่ขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในปฏิจจสุบารกระแสของปฏิจจสุบาร์ที่ไหลไปเนี่ย มันเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดซึ่งกันและกันได้อย่างนี้ก็บอกภัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอนอนลการบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามย่อมมีได้โดยอาศัยการลิงคะนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลัก อันเนี้ยตรงนี้จะเป็นข้อสงสัยที่ยังไม่ค่อยแจ่มกระจ่างว่าอะไรคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะต้องใช้เทียบเคียงกับอีกหลายพระสูตรเหมือนกันเพราะตรงนี้มีอยู่ไม่กี่พระสูตรนะยังเทียบเคียงไม่ได้เม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่ออาการลิงนิมิตอุเทศ เหล่านั้นไม่มีเสียแล้วการสัมผัสด้วยการเรียกชื่อนะอธิวัจนะสัมผัสโสนะในกรณีอันเกี่ยวกับรูปกายจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอนะพระนรนบอกไม่ได้ดูก่อนอนอนการบัญญัติซึ่งหมู่แห่งรูปย่อมมีได้โดยอาการลิงนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่ออาการเหล่านี้ไม่มีเสียแล้วเนี่ย การสัมผัสด้วยการกระทบในกรณีอันเกี่ยวกับด้วยนามกายจะมีขึ้นมาเห็นได้ไหมหนอไม่ได้การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามหมู่แห่งรูป <c oughs> การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามด้วยรูปด้วยการบัญญัติรูปนามนย่อมมีเพราะอะไรย่อมมีเพราะวิญญาณเลยข้ามมาหน้า7 8็้า พระองค์ก็จะลากโยงไปถึงว่าการบัญญัติอะไรก็ตามเนี่ยมันบัญญัติเพราะอาศัยนามรูปและนามรูปอาศัยอะไรอาศัยวิญญาณจากนั้นเนี่ยพระองค์ <c oughs> จะอธิบายการเกี่ยวข้องกันกับวิญญาณกับ น, นามรูปโดยอาศัยการเกิดในครันของมารดาแล้วโยงไปปิดท้ายที่ จะบอกว่าการบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามในโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยมันมีเพราะว่าวิญญาณกับ น, นามรูปไปทำงานกันแค่นั้นเอง <c oughs> อันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการก้าวลงของวิญญาณกับนามรูปนะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงแล้วถ้าสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งจะมีต่อได้ไหมดูก่อนอานอนท์ ก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอนอนลข้อความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณนามรูปเนี่ยมันมีเพราะเหตุคือวิญญาณวิญญาณเป็นคนเข้าไปสร้างนามรูปตรงนี้ดูก่อนอนอนล ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจะปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมพระนรนตอบข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าวิญญาณเนี่ยไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปก็คือนามรูปที่อยู่ในท้องมารดาเนี่ยจะปรุงตัวขึ้นมาได้หรือไม่ พระนลบอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าถามต่อแสดงว่าผู้เจ้ายอมรับผ่านไปเพราะฉะนั้นคันของมารดาเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณก้าลงเข้าไปคันนั้นทารกจะต้องตายปุงตัวต่อไม่ได้ที่มันตัวเติบโตต่อไปได้เพราะว่ามันมีวิญญาณเข้าไปอันที่สองพระองค์ถามว่าดูก่อนอนล ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักสลายลงเสียแล้วไซานามรูปจักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมพระนลบอกว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักสลายลงเข้าไปตั้งอาศัยแล้วเมื่อกี้ก้าวหรือไม่ก้าวแต่ น, นี่คือก้าวไปแล้วแล้วสลายลงพระตถาคตบอกว่านามรูปในคันเนี่ย จะเติบโตต่อได้ไหมพระนนก็บอกไม่ได้อันที่สามดูก่อนอันนน์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจากขาดลงเสียแล้วไซานามรูปจากถึงซึ่งความเจริญงอกงามความไพยบูร์บ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้เพราะเจ้าค่า อ, อันแรกเก้าไม่เก้า ถ้ 9, าไม่ก้าวนำรูปตายคันมันดาก็ต้องตายนะอันที่2เก้าวลงในคันมันดาแล้วนะโตต่อสักพักแล้วสลายลงนำรูปเด็กในคันตายนะเพราะวิญญาณแตกสลายอันที่3ผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณก้าวลงแล้วเป็นเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามหญิงก็ตามแสดงว่าเพศปรากฏแล้วแล้ววิญญาณจากขาดลงเสีย นามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระนรินบอกว่าไม่ไดนะ้นั่นคือแสดงว่าอะไรพระพุทธเจ้าพูดสามขั้นตอนจากนั้นไม่ได้พูดเรื่องการสลายของวิญญาณอีกนะแสดงว่าวิญญาณเนี่ยสามารถเข้าออกเข้าออกได้เข้าไม่เข้าหรือเข้าแล้วออกได้ในสามระยะนี้นะนั้นพ้นจากสามระยะนี้ก็แสดงว่าวิญญาณเนี่ยอยู่ตลอดนะอยู่ตลอดจนกว่าจะคลอออกมา <c oughs> ดูก่อนอนนลเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิฐานะนั่นแหละคือสมุทยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณผู้เจ้ากำลังอธิบายว่าเหตุปัจจัยของนามรูปเนี่ยที่มันจะมีได้นะเจริญ ง, งอกงามต่อไปได้เป็นเพราะวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยถ้าปราศจากวิญญาณแล้วนามรูปก็เท่ากับไม่มีนามรูปโตต่อไม่ได้ <c oughs> ดูก่อนอนอนลก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้อืเ <c oughs> ช่นนี้แลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอนอนลความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอนอนล ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วไซด์ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณะต่อไปจกมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณเนี่ยไม่มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปเลยเนี่ยนะหรือไม่ก้าวลงสู่นามรูปเนี่ยความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ก็คือชาติชรามรณะ อันนี้มันจะมีได้ไหมพระนุลก็บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในที่ใดวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในที่ใดเธอต้องละต้องทิ้งให้ไหวที่สุดนะแก่และตายจะไม่มีนี่พระพุทธเจ้าอุปมาโดยเทียบกับทาลกในครันของมารดาเร่องนี้ส่วนเวลาวิญญาณตั้งอาศัยในอารมณ์ก็คือจิตของเราที่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้ว อืในรูปนามต่างๆนพอตั้งอาศัยแล้วทํายังไงพระเจ้าจึงให้ละนันทีให้ไหวดับการเกิดทันทีให้มันสลายลงเข้าไปรับรู้พวกสลายลงนามรูปก็จะอยู่ต่อไม่ได้ก็จะต้องดับนั้นถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ทุกขณะจิตการเกิดใหม่ของเราจะไม่มีเมื่อการเกิดใหม่ไม่มีแก่ตายก็จะไม่มี พระองค์ก็สรุปให้พระานนท์ว่าดูก่อนอนอน์เพราะเหตุนั่นแหละในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิฐานะนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณนั่นคือนามรูปนั้นเหตุปัจจัยของการมีวิญญาณก็คือ น, นามรูปเหตุปัจจัยของการมีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณต่างคนต่างเป็นเหตุปัจจัยของการละกัน ดูก่อนอนนล์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างจริงๆคำว่าจุติก็แปลว่าตายนะอุบัติก็แปลว่าเกิดก็เหมือนกับพูดซ้ำอ่ะนะจึงแก่บ้างจึงตายบ้างนะจึงเกิดบ้างอย่างนี้จึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างอันนี้ก็คงพูดสำหรับกลุ่มของเทวดาพรหมครองแห่งการเรียก อธิวั จ, จะนะก็มีเพียงเท่านี้การที่เราจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยมีเพราะว่าวิญญาณกน้ำรูปครองแห่งการพูดจานิรุติก็มีเพียงเท่านี้เราจะพูดจาอะไราออกมาได้เนี่ยนะก็คือมันต้องมีวิญญาณกน้ำรูปครองแห่งการบัญญัติปัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เราจะบัญญัติอะไรขึ้นมาได้ก็ตามก็มีเพียงการทำงานของวิญญาณกน้ำรูปเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญา ปัญญาวจนก็มีเพียงเท่านี้เราเกิดมาเนี่ยเรื่องอะไรที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมีแค่นี้มีแค่วิญญาณกับนามรูป2 อ, อย่างแค่นี้ความเวียนว่ายในวัตตะก็มีเพียงเท่านี้ไอ้วัตตะสังสารวัตทั้งหลายก็มีเพราะวิญญาณแหละไปเวียนว่ายในนามรูปนีแ่แหละนะมีแค่นี้นะนามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้นะวิญญาณนามรูปมันมีอยู่ก็เพราะ การบัญญัตินะซึ่งการทํางานของมันนี่แหละเหตุปัจจัยของมันนี่แหละ <S <S เพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็เพราะปัญหาไอ้วิญ ญ, ญาณกับนามรูปมันทํางานกันนี่เอง <S 1> <S 1> และเราก็ต้องการมารู้การทํางานของมันนี่แหละและเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยวิญ ญ, ญาณกับนามรูปเนี่ยไม่ใช่เราอมันเป็นเพียงธาตาุาตามธรรมชาติที่มันทํางานไปตามภาษาของมันเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเราของเราเลยวิญญาณจิตใจอันเดียวกันก็คือความรู้สึกของเราณขณะนี้รูปคือก้อนกายนมามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารรวมแล้วก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของใครเราเข้ามานั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาด้านปัญญาต่างๆก็เพื่อให้มารู้การทางานของวิญญาณกับนามรูปสายปฏิจจสุบาต บางสายจึงจัดไว้สุดแค่วิญญาณกับนามรูปนะรู้แค่นี้หลุดพ้นจากกองทุกได้แล้วนะนั้นอย่างพระสูตรนี้ยาวเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดก็ได้เราก็พอเริ่มเข้าใจเห็นภาพได้เหมือนกันเรารู้หัวรู้ท้ายรู้กลาง ค่อนมาทางท้ายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปไม่เป็นไรณนะวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจคำว่าลิงคะนิมิตอุเทศนะว่ามันคืออะไรตอนนี้ไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านมันไปก่อนนะ